มาลุงกะยะสูตรว่าด้วยพระมาลุงกะยศุตรสูตรเล็กเหตุแห่งอัพยากะตะปัญหาสิประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินกะเศรษฐีเขตขรุงสาวัตถีครั้งนั่นแลท่านพระมาลุงกะยะบุตหลีกเล้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคํานึงอย่างนี้ว่า ทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัอบสงดทสงวางเฉยเหล่านี้คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่การที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบทิฐิเหล่านั้นแก่เราเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีกจะทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบเราว่าโลกเที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่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 หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราก็จักลาสิกขาไปเป็นคารหัดครั้นเวลาเย็นท่านพระมาลุงกระยะบุตรออกจากที่หลีกเรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประธานวาโรกาศเมื่อข้าพระองค์อยู่ในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบทรงงดทรงวางเฉยเหล่านี้คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก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 หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราก็จักลาสิกขาไปเป็นครหัสถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกเที่ยงขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกเที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่เทียง ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่เที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น <ul> ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกมีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพ Pokemon, ระองค์เถิดว่าโลกมีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่มีที่สุด ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่มีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน You know, ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก หรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆงเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกะยะบุตรเราได้พูดไว้อย่างนั้นกับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์นในเราเถิดเราจะตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวากับสิริระเป็นคนละอย่างกัน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 หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่บ้างไหมไม่พระพุทธเจ้าค่ะมาลุงกะยะบุตรได้ยินว่าเราไม่ได้พูดไว้กับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์นในเราเถิดเราจะตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงและถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ ละถึงได้ยินว่าแม้เธอก็ไม่ได้พูดกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากพระพฤติพระมรร์นในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจากตรัตอบข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่โมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอเป็นใคร จะมาทูงอะไรกับใครเล่าทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องสอนมาลุงกระยะบุตรบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า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 เราก็จะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลนั้นสิ้นชีวิตไปตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตยาสาโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปหาแพทย์ผู้ชํานาญในการผ่าตัดมารักษาบุรุษผู้ต้องลูกศร น, นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราเลยว่าเป็นกษัตริย์ แพทย์หรือส so, ูตรตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุร nice ุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่ามีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่า เป็นคนสูงต่ำหรือปานกลางตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าเป็นคนผิวดำผิวคลำ้ำหรือผิวสองสีตราบนั้นเร า, าก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าอยู่ในบ้านนิคมหรือนครชื่อโน้นตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศร น, นี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศร น, นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นชนิดมีแร้งหรือชนิดเกาทันตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศร น, นี้ออกไป บุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักสายธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสายที่ทําด้วยปอผิวไม้ไผ่เอนป่านหรือเยื่อไม้ตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่า เป็นธนูที่ทําด้วยไม้เกิดเองหรือไม้คัดปลูกตราบนั้นเราก็จกไม่ถอนลูกศร น, นี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศร น, นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักหางเก่าทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นหางที่เสียบด้วยขนปีกนกแรง้งนกตะกรุมนกเหยี่ยวนกยุงหรือนกปากหางตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศร น, นี้ออกไป บุรุษผู้ต้องลูกศร น, นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสิ่งที่เขาพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายเอ็นข้างหรือเอ็นลิงตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศร น, นี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศร น, นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นลูกศรธรรมดาลูกศรคม ลูกสอหัวเก่าทันลูกศรหัวโลหะลูกศรหัวเขี้ยวสัตว์หรือลูกศรพิเศษตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนนี้ออกไปต่อให้บุรุษนั้นตายไปเขาก็จะไม่รู้เรื่องนั้นเลยฉันใดบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด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 ต่อให้บุคคล น, นั้นตายไปตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นฉันนั้นเหมือนกันมาลุงกะยะบุตรเมื่อมีความเห็นว่าโลกเที่ยงจกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่เที่ยงจกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้แม้มีความเห็นว่ า, โ ล, า, ว า, วาโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงชาติความเกิด ชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความเครื่ำครวนทุกความทุกข์กายโทมนัความทุกข์ใจและอุปายาตความรับแค้นใจก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกําจัดชาติชาามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัะและอุปายาตในปัจจุบัน เมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดจกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดจกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุก์โทมนัและอุปาญาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติ เราจึงบัญญัติการกําจัดชาติชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือข้อหามิได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กั น, กนหรือข้อหามิได้แม้เมื่อมีความเห็นว่า ชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันชาติละถึงเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชราโมรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุบายาตในปัจจุบันเ<ะ>มื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกจกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือข้อหามิได้เมื่อมีความเห็นว่า หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือข้อหามิได้แม้มือมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกชาติละถึงเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชารามระโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็อหามิได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่จักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้มาลุงกยะบุตรแม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก หรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบัน ที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งต่อปัญหาเชิงปรัชญามาลุงขยะบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดปัญหาอะไรเล่าที่เราไม่ตอบคือปัญหาว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน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 เพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่ตอบปัญหาอะไรเล่าที่เราตอบคือปัญหาว่านิทุกข์นิทุกขสมุทยัยนิทุกขานิโรธนิทุกขานิโรธคาไม่หนีปฏิปทาเราตอบเพราะเหตุไรเราจึงตอบเพราะปัญหานั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงตอบมาลุงกระยบุตรเพราะเหตุนั้นแหลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธินี้แล้ว ท่านพระมาลุงกะยะบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจูละมาลุงกะยะสูตรที่สาจบ มหามาลุงกะยะสูตรว่าด้วยพระมาลุงกะยะบุตรสูตรใหญ่โอรัมภาคิยสังโยชนหาประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ดตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรัมภากิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมาลุงกยะบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจำโอ ร, รัมพาคียะสังโยชน้าประการที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วได้เธอจาโอรัมภาคยะสังโยชน้ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าพระองค์จำโอรัมพาคียะสังโยชน์คือสกักกายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมพาคียะสังโยชน์ คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่พระผู้มีพระภาครทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมพาคิยะสังโยชน์คือศีลพตปรามาศความถือมั่นศีลพรดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมพาคิยะสังโยชน์คือการมชันทะความพอใจในกามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ ข้าพระองค์จำโอรัมภาคียสังโยชน์คือพยาบาทความคิดร้ายที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภาคียสังโยชน์หประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าข่ามาลุงกะยะบุตรเธอจำโอรัมภาคียสังโยชน์หประการนี้ที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้แก่ใครอัญญะดิรถีปริภาชกทั้งหลาย หากหักล้างด้วยการนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบได้ไม่ใช่หรือเพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าตัวของตนสักยทิทิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรสักยติทิของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เมื่อเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายวิจิกิจช้าในทำทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไร วิจิกิจช้าของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายศีลและพัตตปา마าสในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรศีลและพัตตปา마าสของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายกามะชันทะในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไร กามราคะของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายความพยาบามในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรพยาบาทของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่อัญญะเดรธีปริภาชกทั้งหลายจากหักล้างด้วยการนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบได้มิใช่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอ น, นุนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัตรนี้เป็นการที่สมควรข้าแต่พระสุคตบัตรนี้เป็นการที่สมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงโอรัมพาคียะสังโยชน้5ประการภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอา น, นุ์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอุบายเครื่องละสังโยชน์อานนท์ปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุต ร, รุษมีจิตถูกสักายติทิ่ิกลุ่มรุมถูกสักายติทิ่งครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดสกักยติทิฐิที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ส, S. สักยติทิ่งนั้นของเขามีกําลังแก่กล้าขึ้น ปุตุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยาสังโยชน์ปุตุชนมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงวิจิกิจฉานั้นของเขามีกําลังแก่กล้าขึ้นปุตุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยาสังโยต์ ปุตุชนมีจิตถูกศีลปะตะปรามากลุ่มรุมถูกศีลปะตะปรามาครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดศีลปะตะปรามาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงศีลปะตะปรามานั้นของเขามีกําลังแก่กล้าขึ้นปุตุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยต์ปุตุชนมีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดการมราคะ <lieber> <inte le> ที่เกิดข uh ึ้นแล้วตามความเป็นจริงกามราคะนั้นของเขามีกําลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคียสังโยชต์ปุถุชนมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นของเขามีกําลังแก่กล้าขึ้น ปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคะสองโยต์อานนท์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตที่สักยทิฐิกลุมรุมไม่ได้ที่สักยติทิครอบเมาไม่ได้อยู่ และรู้อุบายเครื่องสลัดสักยทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั5 5้นย่อมละสักยะทิฏฐินั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่วิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ได้ที่วิจิกิจฉาครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละวิจิกิจฉานั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้ อริยสาวกนั้นมีจิตที่ศีลปตะปรามาสกลุ่มรุมไม่ได้ที่ศีลปตะปรามาสครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดศีลปตะปรามาสที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละศีลปตะปรามาสนั้นพร้อมทั้งอนุัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่กามราคะกลุ่มรุมไม่ได้ที่กามราคะครอบงำไม่ได้อยู่ และรู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละกามราคะนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่พยาบาทกลุ่มรุมไม่ได้ที่พยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละพยาบาทนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้ พ่ปฏิบัติเพื่อละสังโยช น, น์อนุนเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรมภาคิยสังโยชน์หประการแล้วจากรู้จากเห็นจากละโอรมภาคิยสังโยชน์หประการได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นแล้วจากตัดแก่นเลยทีเดียวแม้ฉันใด เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อายามักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรมภาคยสังโยชน้ประการแล้วจกรู้จกเห็นจักละโอรมภาคียสังโยชน้5ประการได้ข้อฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคียสังโยชน้าประการแล้วจกรู้จกเห็นจักละโอรัมภาคียสังโยชน้5ประการนั้นได้ เป็นไปได้ที่บุคคลถากเปลือกถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นแล้วจากตัดแก่นนั้นได้แม้ชันใดเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภคิยสังโยตหประการแล้วจากรู้จากเห็นจากละโอรัมภคิยสังโยตหประการนั้นได้ก็ชันนั้นเหมือนกันแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่ง นกกาก้มเดิมกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกําลังน้อยมาด้วยหวังว่าเราจะไหวตัดกระแสน้ําแห่งแม่น้ําคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจะไม่อาจไหวตัดกระแสน้ําแห่งแม่น้ําคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมเพื่อดับสากายะอยู่ จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่หลุดพ้นพึ่งเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นอานอน์แม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้บุรุษผู้มีกำลังมากมาด้วยหวังว่าเราจะว่ายตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดี เขาจะอาจไหา้ตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกระถึกแสดงธรรมเพื่อดับสากายะอยู่จิตย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นหลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากนั้น รูปฌานสี่มากและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรมภาคียสังโยชน้าประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละอกุณสมธรรมทั้งหลายด้วยอุปทิวิเวกเพราะระงับความเกียรติคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวงจึงสงังหารจากกามและอกุณสมธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นทำทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกสอนเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดุจคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตา เธอย่อมทําจิตให้กลับจากทำเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมะตะธาตว่าภาวะที่สงบปราณีคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกําหนัดความดับนิพพานเธอดํารงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย หากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคิยาสังโยตห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้แหลเป็นมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสังโยตห้าประการอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารณ์สงบรงะงับไป ภิกษุจึงบรรลุทุติยฌานและถึงบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในจตุทัชฌานนั้นและถึงเพื่อละโอรมภากคิยสังโยชน้าประการ